ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่ผมทราบข่าวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเดือนกันยายน2557ก็เลยใช้ชีวิตคืนหนึ่งวันหนึ่งมาตลอดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็คิดว่าเราคงจะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่ถึง ปีใหม่พอศศิมา่าสิคิดว่าอยู่ไม่ถึงนะเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็ก้อนที่เป็นมะเร็งที่ตับแบบมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆคิดว่ายังไงก็ปีใหม่เนี้ยก็คงจะไม่รอดอ่ะนะแต่พอเอิญ ม, มันก็รอดมาได้ <c oughs> นะผ่านมาถึงอายุ60ปีเลยนะนะถึงเดือน พฤษภาคมคมรบรอบหกสิบปีตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตวันหนึ่งคือหนึ่งของเราเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนคิดว่าเรามีอายุยืนยาวได้มาถึงอายุหกสิบปีเนี่ยเนี่ยผมก็ภูมิใจนะสึกภูมิใจว่าโอ้ออยู่มาได้นะมันไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าจะอยู่ถึงได้ถึงหกสิบปีแต่ส่วนหนึ่งนี่เราก็คิดว่าได้จาก แรงอธิษฐานของญาติธรรมนะญาติธรรมส่วนมากเวลาไปทําบุญที่ไหนก็จะอุทิศส่วนกุศลมาให้ผมใบ ป, ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อ ย, อ ย, อยโคกระบือ้อเขาก็จะมาบอกผมให้ อ, อนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยอันนี้ก็ได้ได้แรงอธิษฐานบางท่านไปอินเดียเนี่ยบบุญทั้งหมดที่ไปอินเดียนะไปอธิษฐานที่พุทธคยาเนี่ย สมาให้ผมหมดเลยแลนนี่อีกเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีหลายคนปฏิบัติบูบชาเป็นอาจริยาบูชาแล้วก็ให้บุญทั้งหมดจากการปฏิบัติให้มันตกอยู่ที่ผมแล้วล่าสุดนี่ก็คุณเอกชัยได้สร้างศาลาอุทิศให้ที่ไาารฮาวศาลาปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศให้ผมมีชีวิตยืนยาวต่อไป อันี้น้ำแรงอันดิษฐานเหล่านี้ทําให้ผมเนี่ยมีอายุ ย, ยืน ย, ยาวมาได้กรช่วเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะเป็นสิ่งสําคัญหลายคนพอรู้ว่าผมป่วยไม่สบายอยู่ในระยะสุดท้ายอย่างนี้เขาก็จะพยายามสร้างบุญกุศลแล้วก็อุทิศมาให้ผมผมก็เลยบุญเลยเยอะแยะเลยตอนนี้ <c oughs> ถ้าเมื่อตอนโน้นผม อ, อาจจะหมดบุญก็ได้อาจจะต้องมีเป็นโรคร้ายถือว่าเป็นหมดบุญแต่ตอนนี้ ญาติธรมาช่วยเติมบุญให้เยอะเลยก็อยู่ได้จนถึงอายุหกสิบเนี่ยก็ขอบคุณญาติธรรมแต่อย่างไรเสียผมก็ไม่ประมาทนะถึงแม้ว่าใครจะทําบุญให้ก็ตามเราก็ไม่ประมาทกับตัวเราเราไม่รู้ว่าชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันจะไปจบเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่ประมาทก็ใช้ชีวิตแบบจะเลยสติ ในชีวิตประจำวันทั้ว่าเป็นบุญสูงสุดที่เราจะทําได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ให้มีสติเนี่ยในแต่และ ว, วันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะเพราะว่าเราจะได้เตรียมเตรียมสติเตรียมสัมัชัญญะให้พร้อมเพื่อจะเอาไว้ต้อนรับความตายที่จะมาถึงตัวอีกไรไม่ช้านี้ก็ไม่ประมาทเพราะความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยมเกิดขึ้นได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันก็จเจริญสติกลางคืนก็จเจริญสติทั่วเป็นบุญสูงสุดเรียกว่าเป็นภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการภาวนาก็ทำกํำไปอย่างกลางคืนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็มันมีอาการที่ว่ามันนอนไม่ค่อยหลับอาการของมะเร็งตับเนี่ยมาบอกว่ามันจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะวาอาการอักเสบของ ก้อมะเร็งที่ตับแล้วก็ความร้อนในตัวมันก็เยอะขึ้นที่มันก็มีทุกขเวทนาคือเจ็บปวดนะเป็นส่วนหนึ่งทําให้เราเลือกอิยาบทที่จะนอนในท่าที่ลําบากมากแอ้เราก็อิยาบทน้อยอยู่แล้วในสามอิยาบทน่ยซ้ายขวาแล้วก็นอนหงายแล้วที่นี้มันก็จะนอนท่าไหนมันก็เรียกปวดอยู่มันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยหลับอะ่ะ แต่ผมก็ไม่ได้ไปทุกข์กับมันหรอกไม่หลับก็ไม่หลับกันเราเคยนอนไม่หลับมะก่อนอาศัยการนอนไม่หลับไปเป็นประโยชน์ซะโดยการเอามาเจริญสติดูจิตดูใจไม่ปล่อยให้จิตใจมันคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายก็เจริญสติดูจิตดูใจไปในช่วงที่เราน อ, นอนไม่หลับมันก็เป็นประโยชน์นะดูความเจ็บปวดมั่ง ดูจิตที่มันรู้บ้างเนี่ยก็ดูไปมันก็ถือว่าเราเนี่ยกำลังลงลงสนามรบเลยกําลังเข้าสู่สนามลบกําลังทำสิ่งสงครามกับความเจ็บปวดแต่ไม่ได้เป็นรังเกยียจเขานะไม่รังเกยียจก็ปวดก็ปวดแต่เราก็ทําหน้าที่รู้โลกไปแค่เจ็บก็ทําหน้าที่เจ็บปวดไปแต่เราก็ทำหน้าที่รู้ไปเท่านั้นเอง ก็แบ่งกันทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะห้ามแม่มันเจ็บมันปวดไม่อยากให้มันหายแล้วก็ไม่อยากให้มันปวดไม่มีอะก็ปล่อยแล้วแต่เขาเราก็ดูไปหรือว่าเราลงสนามนะลงสนามลบนละต้องไปเชิญหน้าเขาตรงนั้นแล้วละมันก็ก็สนุกดีการทํากรรมฐานที่ไปเชิญหน้ากับความเจ็บปวดต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันก็สนุกดีนะ เนี่ยถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราในช่วงที่เรานอนไม่หลับคิดว่าเราเวลาศึกเรารบเวลาสงบเราซ้อมเตรียมพร้อมไม่ประมาทอันนี้คือชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้ครับ